เมื่อเรากำหนดจนิตพิจัยนาอาจทำสื่อพระพุทธเจ้าทรแนะนำสั่งสอนี่เหลตจใง น, นีหน้าที่เข้ามาโยกข้อเกี่ยวันกับจิตใจของเราได้โดยส่วนใหญ่ยังไม่มีอาจนม่ทำราละเอียดยังนใน่มนีที่อยู่ที่อาศัยจิตใจยังไม่เคยเห็นเป็นในอาจในทำเรื่องสมาธิสมาบัติจิตใจต้องติดข้อ เพอเทมในรูปเสียงหลุนลดต่างาฉะนั้นทันจึงวาอาวุธคือกรรมาฐานให้ให้ทิเจนาเจอสาเรมานะขาทาันตาไปโจซึ่งสิ่งเหล่านี้เราไปสถานที่ใดติดตัวไปตลอดเวลาแต่เกิดมาเนื่อกระทั่งวันตายกรรมาฐานคือทำจะต้องมีประจำตัวมา ต, ตลอดแต่ทิเจนา เวลาใดตามใดสมัยใดได้ทั้งนั้นเป็นตำราทิ่นักภาวนานักเบือจะต้องศึกษาเรียษาป่ะเพืผลผมนั้นโดยส่วนใด่หากใครคิดที่จะมาหยิบผมตามเรื่งสมุทั้งโลกเราก็มากอยากจะหลงจะถือว่าผมเป็นของสวยงามคนที่มีผลหยิบผลที่คนิการในบกหน รือเป็นอะไรเกิดขึ้นอย่างไรอย่างนี้จะถือว่าคนนั้นไม่งามมีโลกคนมุดถือกันอย่างนั้นผมจึงเป็นเรื่องสคัญที่จะทาสินค้าให้เกิดขึ้นคือเขาจต้องหายสิ่งที่มาบรุงผมให้มันเสียมันงานด่างนั้นอย่างนี้ตลอดทังดัดแต่งแส้ไขยตกแต่งต่างๆแลงเเงินเสียทองไปนับไม่ได้คนที่ชอบสวยงาม จะต้องไปดแต่งผมมันเป็นความนิยมสมนมของโลกอย่างนั้นนี่พระพุทธเจ้ า, าวิาาจาริยอาจารสอนในที่นาผมผลนั้นมันเกิดขึ้นจากของสกกระปกเหมืนนมอนห้ า, าเกิดขึ้นในลุมเสื่อมเห็นไมขึ้นในถุมันสดกระปกหญ้าที่เกิดในที่ในสดกระปกไม่มีถุยถุออะไร มันจะเน่างองามเยวมันกแหน่ก็ตายไปเลื่องงอขึ้นนิดหน่อยมันก็ตายมาคืองอขึ้นไม่ได้เพราะมันมีอาหารผลของเสือกเราท่านก็เกิดขึ้นจากน้ำเลือดน้ำเลี้ยงที่หล่อเลี้ยงให้ยืดยาวงอกออกไปด้านและผลนนั้นถ้าหากตกล่ออกจากที่สักก็ขึงนใส่ในอาหารตามกบดัน น้ำเดิมเราก็นเครื่องจะต้องเททึ้งถึงอาหารนั่นจะไม่เน่ไม่เสียอะไรอาหามีผมมากมากอยู่ในถ้วยในจานอาหารในหม้ออาหารเล้ยงเทวในเคมื่อบแต่อยู่บนพิษะทำไมไปหลงไปเทแล้วเขาไปทิ้งเอาไว้ในที่นั่งที่นอนของเราผม ที่มันอยู่บนพื้นศักระแต่ก็ถอนเอาแล้วก็ตัดเอาไปเก็งไว้เราก็ถือว่าไม่ดีไม่งามแต่ทาไมเราไปหลงมันว่ามันเสีมันงามเมื่อเขตกเขาแต่งอยู่บนพื้นักระไหนที่เรามาถึงที่เกิดของมันถึงที่อยู่ของมันถึงมันหลุดมันเละออกมาว่ามันเป็นอย่างไรแล้วผหนั้นมันมีความหมายอะไรถ้าเราไปตัวหลงมันจะเกิดเราจะด่าเราไหม เมื่ราโตเหลือมันได้ฝึกได้ทุกอย่างเลยคำนึงคานึงที่นีิที่ใดนะหาทางเนี่ยสอนหยุดใจเพง่อตนล่กบัญดาขนก่นเนงกันในใจของเสือของงามอะไรไม่เกิดนะอยู่ในเนื้อในตัวทางเรางอกขึ้นจากท้องสดกับอกโขโพจากแรงเรียบเหมันเหลืองทั้งนั้นในใจมันเป็นของเสือ้องงามยิ่งขน ในเริ่มงผ้าผ้าหากว่าเราเห็นเขาถอนออกมาขึ้นใปเพื่อใส่จานอาหารจะเป็นอย่างไรจะเกิดข้าวฟันตีกันหนเวลาหิวโหยมีนคนมาทำแบบนั้นบอกว่าถือว่ามันสตกับโตกันไม่สมเครมจะเหตุใดจึงโตหลงมันมววหลงทำไมความรู้ของเราเป็คนคํารู้ที่หลงในจิงความรู้ที่แนนอนแท้จรง ฉะนั้นคือนี่เจรินาหาทางแก้ไขจิตใจของตนที่จีดข้องในสมในฝนเล็บเป็นเหมือนกันถ้าแกออกเอาไปต่นไปแจงโดยทอดไปผัดจะทานได้ไหม้วทํำไมถือว่ามันเสียมันงามอย่างนั้นอย่างนี้เขาตอกเขาแตงเขานีะยก็ตัดยิ่งพอดูได้ถ้าหากใายเอาไว้มันจะกระตกแสนที่จะสะกระตกดเล็บก็ดี ปันแต่เหมือนกันหัดกันอยู่เรื่อยชำระกันอยู่เรื่อยแรงอยู่เรื่อยไม่อย่างนั้นมันน่วมันเหมือนถึงขนาดนั้นตกเล่มออกมาจากปากเป็นอย่างไรปันเสียวไหมงามไหมตกออกจากตากเขาปันคนนั้นเสียวเยอะเนงามเยอะเกินเขถอนออกให้เอมได้ไหมหากว่ามันเสียมันงามเอมไม่ได้ต่อให้ตกกระจก มันเป็นของปฏิปุนหนังกลมล้นกันไม่ว่านั้งแข้งนังขานั้งหน้านั้งตาทะลุออกมานันเป็นอย่างไรมันเสือไหมงามไหมแล้วทำไมไปหลงหาที่จรนาได้เข้าใจตามเป็นจริงติดจะไม่มีติดเป็นติดข้องนี่คืออาวุธทื่จะฝ่าฟันวารกระหน่ยินดีท้างใจ ไปใส่คิดติดข้องนอกจากนั้น เ, นเมื่อทบดเพนพิจารณามาเรื่องของเขาผมขนและฟันของเขาที่เราไปหลงผมขนและฟันของเรามันมีอยู่ที่จะดูให้เห็นให้ใสใจชัดเจน ม, มันเป็นอย่างไรเมื่ออยู่ในเตี๋ยวของเตียวเตี๋ยวทำไมไม่ถ น, นัดยินดีในเทิดเพลนลื่นหลงแล้วจะถนัดยินดีทําไมเพราเรามีอยู่ จะไปเพิลื lijk, ang, ่นหลงกันต้องเพอื่นทาไมเพิภาระระก่เต้ทองเต้วอย่างไรเรื่องเหล่านี้ผมมันยาวมาก้ต้องไปตัดมันเหมือนตาเหมือนขนต้องต้องสักถ้าผมยาวถ้าเป็นพระก็ต้องเตมเล็บตัวเหมือนกันจะต้องตัดเรื่อยเมื่ออย่างนั้นก็งอเลือดยาวฟานตกําละสาสาดีเลื่อย เมื่ออย่างนั้นพี่ออกมากื่นก้องปากจะจะเน่ากะเหม็นมันเป็นของปฏิกูนพัดเดินอยู่อย่างนั้นแล้วเมื่อเรามีอยู่จะไปเหลงดูคอนอื่นทําไมจะไปตาหนัยืนดีดกับของเขาทําไมของเราเป็นอย่างไรของเขาก็เป็นอย่างนะั้น้ากจิตใจเป็นธรรมจะไมามีอะไรปิดบางโลกเติดสนานเสมเอไม่มีอะไรที่จะผิดยแปลแตกต่างกัน ก็เกิดขึ้นแปรเปล่ยนแปกสลายถึงถ้งถาทั้งสเป็นอย่างนั้นขันทั้งห้าเหมือนกันเราจะกระเพือมอย่างไรคนอื่นตัดอื่นมันก็เป็นอย่างนั้นเราทุกเด็กการรักษาปฏิบัติกายอย่างไรกายคนอื่นก็ทำงางเดียวกันไม่มีอะไรที่จะผิดแปแตก ต, ต, ต, ต่างกันจุดใจตาเห็นเด่นชัดอย่างนี้ มันก็ไม่นี้อะไรในโลกที่จะมาปิดบังให้จิตใจลืมหลงนี่คือหน้าที่ของนักบวชทุกคนจะพึงประเพื่อปฏิบัติตนทุงค น, ท, นที่นิพพยาณากําหนดรักษาทหารคือโยนาไปตามโลกตามสมมติมันก็ติ ด, ดข้องเพิดมผล่ลืมหลวงเขาสมมติอย่างไรมันก็ไปอย่างนั้นเพราะจิตใจของเราเคยติดข้องเคยยินดีย่องเหล่านี้มา ยังพอแล้วไม่ใช่ว่าแต่ชาปกกัจจุบันมันเคยเกิดเคยตายมายัเงเกี่ยวเรื่อปัญหาเคยเปเจ้าเป็นนายบังคับบัญชาหจิตใจของเรามาโดยเลือกเพีย ง, งในต้องศึกษาในต้องมีคือแนสอนมันชอบไปเองมันจิดไปเองมันเป็นไปเองเรื่องเชื่อสิ่งมันเคยทํามามันมีจิดเนื้อใส เป็อุปนิสัยจุตใจของเรามาถ้าเราไม่แก้ไขในที่แคาหนะักห้ามมันก็นจะเริเ่มหลงเรื่อยไปนี่คือเรื่องของใจไม่ว่าผู้หญิงม่ว่าผู้ชายมาบวเป็นพระเป็นเนรมีหน้าที่มีโอกาสการงานนานอื่นที่เราจะทําไม่มีชีวิตคนอื่นเรื่องเด็นดคนอื่นฉะนั้นการฝึกปฏิบัติจิตใจเป็น เวลามีโอกาสที่จะทำได้อ ย, ดยอย่างสะดวกอย่างสบายหากทุกคนไม่กระหนาทุกคนถือโอกาสทำผนงานความดีเรื่องจิตใจที่จะไม่เคลื่อนที่ที่จะไม่ดีไม่สงบไม่มีจะต้องดีต้องสงบต้องเห็นต้องเป็นในอาจในธรรมเมื่อเราเห็นเราเป็นเราได้เราถึงเรื่องของธรรมแล้วเราก็สะดวกเราก็สบาย จะเป็นจะตายไม่ต้องคํานึงคานึงหาเพราะเหตุใดเพราะสิ่งที่เราได้เราเป็นเราเห็นเราดูมันไม่ตายไปตามสมมติของโลกมันเป็นอย่างไรมันไม่ตายเราก็ได้มีปัญหาไม่มีข้อสงสัยภายในใจของเราสิ่งที่มันเกิด ม, มันแปลเปลี่ยนเราก็ทราบสิ่งที่มันไม่แปลเปลี่ยนไปกับอะไรเลยเราก็ทราบ แต่พ้าเมื่อมันยังมีเชื้อที่จะให้เกิดมันทำให้เกิดอยู่ได้เมื่อชำระเชื่อของมันหมดออกไปไม่มีอะไรที่จะเป็นเชื้อพอให้เกิดอีกมันตายไหมนิพพานพลางสุขขังมันติดอยูที่ไหนนิพพานพลางสูญยังอะไรต้องสูญไปมันเข้าใจยึงไมีปัญหาอะไรที่จะจุดข้องในจิตในใจของผูง้ปฏิบัตินีการ ภาวนาการศึกษาการเป็นพระเป็นเนรถ้าหากเราฝูกเป็นพระเป็นนักเบว่ตั้งหน้าตั้งตาศึกษาตั้งหน้าตั้งตาภาวนาตั้งหน้าตั้งาตงาชำาะกิเลสปัญหาดูเห็นเด่นชัดในอัตในธรรมสืบพระพุทธเจ้าสอนเราเองก็เยือกเย็นเป็นสุขคนอื่นเขาเห็นเขาเหลี่ยมใสเต็มใจอยากจะบูชาฝึกจะเพื่อปฏิบัติคือได้คูอถึง อารทำเพราะเป็นเนื้อนาบุญของเขาเขาเรื่มใสยเขาเตนใจเขายินดีถึงจะวอื้อจย า, ยาเกเส็มเท่าไรเขาก็สนับสนุนเพราะเห็นว่ า, าทำไปแล้วจะได้สารประโยชน์จากการกระทำของเขาเราต้องแอนะนตัวของเราเป็นนักบวชเป็นพิสุเป็นสามเณรอยู่ในศาสนาอาศัยผ้าเหลืองอาศัยเพศ เท่านั้นที่พอได้ครบได้ฉันได้อยู่ได้กินเป็นวันวันไปแต่จิตใจของเราเป็นพระประเสริฐหรือยังเป็นสมณะสามเณรหรือยังสงบระงับหรือยังเปวดตาขี้เจรนาทิดทุกเวลาวาระจิตที่คิดไปเป็นเรื่องแก้ไขขีดปัญหาหรือเป็นเรื่องนำมาเป็งทุกข์ต่างๆให้รู้สติ มีปัญญาที่นี้ที่เจรนาตัวของตัวสม่ำเสมอไปจิตใจที่ในขาดสติในขาดปัญญาได้ชื่อว่าชื่สาลระจิตใจของตนที่มีความเพียรเป็นสังเลขาธรรมคือสามารถที่จะกำจัดป่าเต่าเกื่อนปัญหาให้ถอดถอนหลุดเลื่องไปจากใจท่องตัวหรือเปนป ะ, ปะาตาธรรมแผดเผาเกลื่อน ท, ที่มีอยู่ในใจ ให้เดือดร้อนให้เหยียดแห้งให้หมดไปถ้าคิดได้ที่จะนาได้ถึกสอนตวตรั้งตัวโดวยอัตธรรมที่พระพุทธเจ้าแนะนำสั่งสอนมาทุกคนจะก้าวหน้าในการปฏิบัติจะไม่เห็นอะไรดิเศษประเสริฐเท่าเรื่องท้องใจที่มีอัตมีธรรมไม่ตื่นต้นไม่เหงเไม่เลงไหลในเรืเเเ่อง ทั้งโลกเพราะทุกคนปรารถนาสึกแตไม่เจอสึกไม่เห็นสุกในเต๋าทงตัวจึงไปหาเรื่องนอหาไปเท่าไรมันก็ไม่เห็นเพราะเหตุใดจึงไม่เห็นถ้าหาอยูถ้าเห็นแล้วไม่หามันมีอยู่อย่างไรเข้าใจอย่างนั้นจะไปหามันทําไมมันเห็นอยู่ของเสี่หายก็ไปหาก็คือเขาไม่เห็นถ้าเขาเห็นแล้วเขาก็ไม่หา หยุดใจของนักภาวนาเสมือนกันในไข้ ค, คิดติดตามทำคำสอนของพระพุทธเจ้าศึกษาในกายในวาจาในใจั้งตนืตีนเป็นเรื่องสำคัญเป็นเรือ่องต้นเป็นศึกขาที่ควรศึกษาถืลนั้นถ้าหากดางท่อยหรือเสียหายตกขาดไปไม่ใ่เรื่องใหญ่โตสังขาปราลิิต่อตามจะสามารถคือจะ ทำจิตทาใจหาัดคล้องปฏิบัติไม่สะดวกเราต้องรักษาต้องพิมพิเกลานะทะในมือศีลเน้นในมืีนเป็นของยาถึงโลกถือกันตลอดถึงเพื่อนจมานะด้วยกันก็ถือทหารในมือศีนในธรรมอยู่ด้วยกันก็ตำหิกันในเป็นสุข ก็สีนยในเสมอกันฉะนั้นจึงควรศึกษาเรื่องของสีนก็ดีเรื่องสมาธิต่อเมืองครับบัญชาจิตใจสองตนอย่าให้ผิดขออ้องเงต่าหมองเสอเพรินเป็นแต่ไปในทางผิดพยายามมืองครับจิตให้สงบระงับเดือสติเดือ ย, ยปัญญาเดี่ดจัตวาเดืความเปลี่ยนหากทุกคนสนใจทุกคนมุ่งมั่น ในาการปฏิบัติทั้งตนเพื่อมักควบผลจริงจังจิตเทละหนา้าที่อันอืน่นมันป่อยวางได้เพราะจิตชำระกิเลอปัญหาเป็นจิตใหญ่จิตโตจิตเฉพาะตัวคนอืน่นจะเป็นมื่นเป็นแสนมาเขื่เหลือไม่ได้นอกจากตัวของเราจะเขื่เหลือตัวของเราตัวของเราจะทําเอาถท่นั้นจึงเป็นงานสำคัญหากหมดที่เหลสปัญหาหมดภาละของใจที่จะไปคล่องติดคิดจงต่างๆ ตัวของตัวทราบเองเข้าใจเองประจบทำไม่จังมันมีทางมันมีจิตอื่นที่จะยิ่งได้กว่าเป็นจิถที่ควรทำอย่างยิงจังอย่าไปถือเรื่องอื่นเป็นของสําคัญยื่งก่าการลากิเลสการทําทความเทียนเพื่อตัวเองถ้าทุกคนหนึ่งม่นอย่างนั้นการปฏิบัติศาสนา ก็จะเรียนขึ้นยิ่งเสดขึ้นผู้คนประชาชนเทวดวไปเขาก็เลื่อมใสเต็มใจยินดีเพราเหตุใดเพราะตัวเองก็เห็นแต่รู้ความเลื่อมใสความผ่องใสความสงบความละเอียดยุนของใจเป็นอื่นเขาเห็นต้องการความสุขต้องการทวางดีเขาก็ต้องแสวงหาหาพระเนรพากันแต่ทำบําเพ็ญอย่างนั้นศาสนาก็นับวัน ที่จะมีผู้เชื่อถือผู้เลื่อมใสผู้เต็มใจปฏิบัติหากผู้อยู่ในศาสนาในตั้งหน้าต่างตาภาวนาในต่างหน้าต่างตาศึกษาในตั้งหน้าต่างตาจะ ท, ำำทําบําเพ็ญจิตของตนคนอืน่นเขาจะดูหมินม่นมิลทาว่าผู้อวูในศาสนาก็หลังเขากินไม่มีอะไรทื่จะน่าเชื่อหน้าเหลื่อมใสยิ่งยามอะอยาก ก็ไม่น่าดูพุด้าพาทีอะไรออกมาก็ไม่น่าฟังมันมีข้อพบคิดในเด่นเดือดจิตใจของเขาฉะนั้นพวกเราขสื่อเป็นศาสนาหายาสื่อศาสนาเราจะต้องแนสอนตัวของตัวจำมันเสมอไปสิงใดที่จะเป็นไปเพื่อความสุขความสบายเป็นไปเพื่อการละถอนกิเลส อย่าไปนอนใจเพราะชีว ah, ิตเรามีเครื่องหมายนายประกันอะไรจะเป็นเด็กเป็นหนุ่มมันก็ตายคูอเท่าคูอแก่มันก็ตายแล้วก็ไม่บอกว่าวันนั้นเดือนนั้นปีนั้นท่านจะตายมันไม่บอกชีวิตเป็นอยู่เพียงลมหายใจเข้าออกเท่านั้นเข้าไม่ออกออกไม่เข้าจะเชืยกว่าตายจะเป็นคูอหญิงคือชายเป็นพ้าเป็นเนรหนุ่มแก่ไหมวะ รีบภาวนารีบกระทำความเพียรในตเห็นเ็รู้ภายในตัวของตัวจะไเสียใจยาการบำเพ็ญเพ็ยความดีเป็นเรื่องสำคัญสาหรับตัวของตัว เ, เราท่านเพราะเพื่อน่าที่อะไรไม่มีพราถจะยุ่งเหยงิงว่าวันนั้นไม่มีโอกาสวันนี้ไม่มีเวลาภานาหนเ็นไหนไปแต่จิตใจนี่ รักษาในสังวรปล่อยไปตามสัญญาอารมณ์ตลอดเวลามาภาวนาสุดเพ่ จ, จะทำทาจะเลิกได้แคบเดียวเราก็หายไปตลอดเวลาอย่างนั้นมันจะดีจะวิเศษได้อย่างไรพยายามสอนใจทองตนพยายามฝึกฝนอบรมอยากดีอยากนง่ายสงบต้องทำ แตใจมันจะเกิดมาเองเป็นขึ้นเองพระพุทธเจ้าก็าทำหลอดตายเหลือตายเป็นเลยมาแนสอนโลกโนใจทำง่ายอ่ดถึงการทำทุกข์กิเลส า, าทางสายสู้อดอาหารก็จนพัลโลมาคือขนรูดใบตาำเหนือต่ำกายรูดออกเพราะปรากรองขนพัลโลมาเน่าเราไม่ถึงนั้น อดนอนผ่อนอาหารทุกสิ่งทุกอย่างฉันทําริงจริงจงจรงเพราะหาทางตัดสรู้ก็ตัดสรู้มาประมาณนี้นำธรรมสอนอย่างมขึ้นมาปฏิปทากัวคืนมัชมัึ้นมาของเรามันเข้ากับกิเลสทำขนาดนี้ว่ดีแล้วทามากกว่านี้มันโนอัตตาเคลื่อนานโยในเส้นทางสายตาเมื่อยคือกิเลสปัญหาความอยากของใจเราตัดสินเอ ไม่ใช่มันเป็นมัคคิมาหากมันดีดีเศษจิตเป็นกลางในจิตข้องเศร้ามองในรักในช่างต่างๆจิตเป็นกลาเสมอไปเห็นอะไรก็สักจะว่าเาห็นรู้อะไรก็จักจะว่ารู้ไม่มีการยึดถือจิตข้องเศ้ามองอะไรภายในใจทั้งตนมันเป็นมัคคิมาในตัวนี่มันในป็นหั่นนั้นมันใเป็นอย่างนั้นแล้วไปตัดสิน ใจของตัวเองว่าทํามากไปนุ่นๆหน่อยๆม่เตืนแล้วมันเดินอัตตากิดมาถาไปแล้วมีความพอใจมันเป็นอย่างนั้นมันจะเป็น อ, นอะไรกันทำํำลงไปเพื่ให้มันเห็นผลไปจากแทะเตือนในตนมันจะเดินเรื่องอัตตามันจะ ใ, ให้มันทราบดูการทําจิตทําใจ บังคับตัวของตัวเป็นเรื่องสำคัญที่ทุกท่านจะควรบังคับควรฝึกควรอบรมในใจให้ชีิตเป็นเหมือนวันนี้ตัเป็นอะไรเดือนนี้ตัเป็นอะไรปีหน้าคงเป็นอะไรให้เลยไม่ได้อะไรถ้าชาเลยกวาชาดเน้่นก่อนชาตินี้ก่อนเลยเลื่อยไปเพราะวันนี้ก็อ้างวันหน้าเชก่อนชาตินี้ตัวจะต้องอ้างชาดหน้าต่อไป จิตใจมันเป็นแบบนั้นยึดมันกับเรื่องขอ ง, งืิเลดตัญหาพยายามรักษาแนะนตัวทำสอนของพระพุทธเจ้าสำหรับผู้ถอที่นำมาให้คิดคี่วิ่คราะหนะนำมาศึกษานำมาปฏิบัติเป็นอาการลิโกคือไม่มีการมีเวลาถึงศาสนาจะเลี่ยงไปสอง0ันห้าร้อกว่าปีกตาม ความดียังเป็นความดีความเชื่อยังเป็นความเชั่อทุกยังเป็นทุกสมุทัยยังเป็นสมุทยัยนีโรภความดับทุกภายในใจจะยังเป็นมีโลภมัจประียมปฏิบัติให้มากอย่างไรก็ต้องเป็นมัยู่เป็นวนถ ท, ทางที่จะตัดเซลุมัจถึงผลคือยิ้มดได้าสอนใจต้องเป็นอย่างนั้นมันจะทำมันต้งเรียน ระวังรักษาทุกิิยาบทหากทุกคนสนใจจะทําบำเพ็ญตามโอวาทของพระพุทธเจ้าเวกเรานั ก, un, กนบว่ทุกคนก็จะประสบพบเห็นตามสุกความหย่อนเย็นของใจการทิบไส้ขมะเป็นว่าพอสมควรเสียเวลาเพยาติตเพียงแค่นี้